เพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยองวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งป่วนนี่เป็นรถอันหนึ่งีรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเทียนถอนน้ำออกจากตัวของเรา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 ล, ลิ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจอมพระพุทธเจ้าท่ า, ทานทรงสอนว่ารถแห่งธรรมเป็นนัเปึงรถทั้งวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำผู้ปฏิบัติมันให้มีความติดจาง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 เปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความก็หยิมในการพทุทธปฏิมาอา้ายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ใ้บำเพ็ญกุณงามความดีน้าความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแด้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีช่วเราได้เห็นประจับ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 ศาท่านเป็นตัวุเจนี่เป็นชามค่ะแล้วก็กราบอาจารย์นี่ก็บอกว่าฝันอ่าบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นศัตรูท่านนี้ก็เป็นสัตว์ที่ดีเป็นท่าต่วถึงแม่กไม่ไม่เป็นเดียร์เจีไทยเคะป็นศที่เรียร้อยถึ่ม้เป็นกากเป็นเกาที่เรบ้อนี่ภาวนาเห็นแนั้นเหรอเขาบอกว่ามัน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 เป็นเล่าไล่ฟังหรือเป็นคำถามคำถามเด็กเออเอออยากจะทราบมีความหมายได้ยังไงหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเกศจะทราบได้ไงเขีนจะตอบให้คุณทราบเลยนะถ้าบอกเคยอยากจะถามไม่กล้าทั้งคเลยอาสาผมจะถามให้ดีมันไม่กล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบก็ขี้เกียจ ถ้าถามกลัวเดี๋ยวถ้าจะดุเอกลัวจะดุนะใอะไรจานนี่ก็เหมือนเสือตัวห่เธไม่กล้าว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะกลัวน้อดุจิตวิญญาณก็ไม่เหมาะอะไรดูกระดุเวลาจะดุมันเหมาะไม่เหมาะยังดุได้ใช่ไหมเวลาก็เวลาที่เขียนก็เหมาะไม่ตอบทีเขียนเนี่ยนั่เห็นตัวเหมาะ ขัดอันนี้ไหนก็ตางเรามันเป็ น, ม, นโมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอามาเทียบที่พี่น้าเนี่ยข้อเรื่องนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นี่ต่เรื่องของความรู้มกว้างแคบต่างกันเลื่อนขึ้นยทีต่างกันใช่เรื่องวัตถจักร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 ความอยากเดียวกันนี้เข้าใจเหรอนี่หึเข้าใจหรือยังนั่นสินี่คือไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลังคุั้งครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ได้